ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาสัมปันโนเสนอตอนที่สี่สิในมิตครั้งที่8ยิงได้ก็ไม่ถูกสนองคุณพระอุปชาตและหลวงตาโดนด่าว่าบักหัวโลน เหลือมตามหาบัวยณนสัมปันโนได้ให้อวาต ธ, ธรรมเอาไว้ว่าจิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฝั่งนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจที่เรียกว่ากิเลสเวลานี้กิเลสมันกำลังตีตลาดให้แหลกเหลวไปหมด เสียงทำจะไม่เหลือภายในจิตใจชาวพูดเราแล้วนะเวลานี้เรายัางเพลิดยังเพลินยังรื่นเริงยังยิงย่งอยู่หรือเปลียนมามากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งใหญ่ได้ยศเท่าไหร่ยิ่งยิ่งใหญ่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวโออาริเลมัดคออยู่นี้ไม่รู้ดูเข้าไปในหัวใจนั่นสิไปดูทําไมข้างนอกความทุกข์มันอยู่ในหัวใจคนมันไม่ได้อยู่ในร่างกายอะไรนักหนาความสําคัญ ถ้าขาดเรือนใจเพียงอย่างเดียวจะสร้างเรือนกายประเภทต่างๆด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างมากมายส ก, กี่สิกี่ร้อยชั้นกี่สิบหลังกี่ร้อยหลังมีเครื่องปรับเครื่องประกอบชนิดต่างๆมั่นคงและสวยงามเพียงไรแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจนั้นที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยเลยคงเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตามเดิมการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้สอนให้ย่อยพัฒนาต่อกิจการบ้านเรือนและประเทศชาติบ้านเมือง แต่สนให้รู้วิธีการหาความสบายใส่ตัวมนุษย์เราซึ่งเป็นชาติที่ฉลาดให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการถ้าได้พยายามสร้างเรือนกายเรือนใจและสิ่งอื่นที่จำเป็นให้เป็นการพัฒนาควบคู่กันไปก็ยิ่งจะได้รับความสบายผิดกับที่เคยพัฒนาเพียงอย่างเดียวมาเป็นไหนๆ หลวงตามหาบัวญานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเรื่องนิมิตรที่แปลกๆมันเป็นหลายครั้งหลายหนท่านในมิตรชนิดอย่างชัดๆจริงๆแล้วไม่ค่อยผิดหลายครั้งหลายหนที่เราเคยเป็นอย่างคราวมาอยู่ที่วัดป่าบันตาดชีแรกก็เหมือนกันคืนวันนั้นแม่นิมิตแสดงออกมานี้จนกระทั่งเรานี้ไม่กล้าจะพูดอะไรให้ใครฟังเลยทํามในมิตรจึงเป็นอย่างนี้ ลิมิตปรากฏไปคืนวันั้นว่ามีกำแพงรอบเราไปอยู่ตรงกลางไม่มีทางออกเลยนายพรานมือแม่นปืนเขามาขอยิงเราต่อหน้าหันปากกระบอกปืนจ่อมาหาเราห่างกันไม่ถึงวาเราก็เปิดผ้าออกเหลือแต่เพียงผ้าอังสะแล้วพูดขึ้นว่าเอา้ายิงเราเลยขอเข้ายิงยิงยังไงก็ไม่เห็นถูกดังเปรี้ยงเปรี้ยงอยู่เฉยๆจนกระทั่งรูปกระสุนดินดังหมด พอกระสุนหมดแล้วยอมเข้ามาหมอบกราบขอกราบท่านหน่อยหมดความสามารถแล้วมีเท่านี้แหละความสามารถพอกราบแล้วเขาก็ลุกหนีไปพอท่านสิงห์ทองใครตัวใครรุมเข้ามาหาเราเป็นอย่างไรไม่เป็นผู้ผงไปหมดแล้วเหลอท่านอาจารย์เสียงปืนนี้ดังลั่นเข้ามาจับผ้าอังส่าของเราดูก็ไม่เห็นมีรอยขาดอะไรเลยแล้วนี้ท่านอาจารย์ดีด้วยอะไรเราก็บอกว่าดีด้วยพุโทโธเราว่าอย่างนี้นะ ในนิมิตมันบอกอย่างนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมานี้เอ๊ะมันเรื่องอะไรกันนาถึงได้ฝันถนัดชัดเจนจริงๆแต่ไม่บอกชำ้ำหาทางหลีกไม่ได้หาไม่บอกช้านี่เป็นเรื่องอะไรนาคือบอกความหมายมันไม่มีอันหนึ่งคือเรื่องมาแสดงนิมิตจะแสดงความหมายไป น, นั้นไปนี้ก็ไม่มีเราจะมาตีความหมายว่าอย่างไหนนิมิตเป็นอย่างนี้พอตกบ่ายสามโมงพวกตลาดก็มาละสิ เอาจดหมายจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปชามามอบให้และไม่เด็กผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาด้วยมาขอฝากเด็กสาวคนนี้บวชเป็นชีในสำนักเราอ๋ออันนี้เองคือไม่มีทางไปได้เลยจดหมายของท่านเจ้าคุณมาหาเราและพวกตระารเป็นพวกเจ้าหน้าเจ้าตางกันทั้งนั้นละมามันก็เหมือนเรื่องราวในนิมิตพอมาแล้วเราก็ชี้แจงเหตุผลให้ฟังตามเรื่องตามราวให้ประกาศเรียนท่านเราไม่รับ เราหาอุบายพูดอย่างเหมาะสมกับเหตุผลที่เขาจะยอมรับเขาก็ยินดีตกลงเราก็บอกว่าเท่าที่มีอยู่นี้ก็ได้ความจาเป็นเกี่ยวข้องกับโยมแม่เราไม่ได้สร้างวัดเพื่อจะสังสมแม่ชีแม่ขาวที่ไหนมากมายมีแต่คนแจ่ๆอยู่ด้วยกันที่ติดมาด้วยกันแล้วถึงเวลาจาเป็นเรารับเท่านี้คนอื่นเราไม่รับขอประกาศเรียนท่านเจ้าคุณว่าเรารับที่ยความจำเป็นเกี่ยวกับโยมแม่ ให้โยมแม่มีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยเฉยๆเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะสั่งสมแม่ชีแม่ขาวให้มากมายอะไรเราก็บอกอย่างนั้นเขาก็เลยประกาศเรียนท่านเจ้าคุณวันหลังเราก็ตามไปอีกท่านก็บอกเออบัวข้อยรู้ความประสมของเจ้าแล้วเราก็ไม่ติดใจอะไรละบัวอุบายของเจ้าพูดก็ดีไม่เห็นมีอะไรขัดข้องเราไม่ขัดข้องเจ้าเมื่อมีความจําเป็นแล้วเราก็เห็นใจองค์ท่านว่าอย่างนั้น นี่มันก็ไม่บอบช้าท่านก็ไม่บอบช้าพวกตลาดก็ยอมรับเหตุผลเราไม่มีใครโกรธไม่มีใครเครียดอะไรให้ใครทีนี้มันก็ไม่บอบช้าคือยิงขนาดนี้ไม่บอบช้ําอ๋อเรื่องนี้เหรอเข้ากันได้ปั๊บกับนิมิต ท, ที่นิมิตไว้ลุ้นตามหาบุญญาณสัมปันโง่ในเล่าถึงการสนองคุณพระพุทธชาคือเจ้าคุณธรรมเจดีจุมพันธุโลเอาไว้ว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจุมพันธุโล ท่านเป็นอุปชาของเราพูดตรงๆพูดตามอัดตามทำไม่ได้ถูกเหยียดหยามไม่เยอะยิงจองหองท่านบอกว่าท่านลงเราสุดขีดเลยถ้าอยู่กันสองต่อสองท่านจะซักถามแหลกบางทีนั่งมองดูหน้ากันเฉยๆดูหน้าจ้องแล้วก็ว่าบัวบัวเราฟังเทศมาทั่วประเทศไทยฟังมาแล้วไม่มีใครเทศเหมือนเธอเธอเทศใส่ตรงไหนขาดสะบัน้นขาดสะบัน้นไม่มีอือเอาอาอาถ้าไม่มีการตอบปัญหานะบัวนะ การเทศเป็นที่หนึ่งแต่ถ้ามีการตอบปัญหาการเทศของเธอเป็นที่สองการตอบปัญหาเร็วมากที่สุดปัปป๊บๆเลยแม้เรานี่อยากถามทั้งวันแต่ไม่มีปัญหาจะมาถามบัวบัวเวลามีคนมาถามปัญหาเธอนะ่ะเธอได้คิดคำตอบไว้ก่อนไหมท่านพูดขบขันนะอันนี้อันหนึง่งท่านเจ้าคุณพระอปุปชาเรื่องทางกรรมฐานท่านเก่งมากนะท่านฟังเราตอบปัญหามาม า, มากต่อมากแล้วท่านหาอุบายให้เขาถามปัญหา เวลาเขาถามประหาป้าบเอาบัวตอบท่านจะแอบฟังท่านว่าอย่างนั้นท่านถามไม่ถอยคุยไม่ถอยเราจะตายหลังจะหักนั่งสนทนากับท่านด้วยความพอใจขององค์ท่านนั่นนาะท่านเอาจริงๆสนใจภาคปฏิบัติสนใจมากทีเดียวท่านเป็นทรรทั้งแท่งเลยนะเจ้าคุณอุปชาของเราเพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่อายุ12ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านบอกว่านี่เนนจูมดูมันหกูกังกลาง ลักษณะมันจะเป็นผู้ใหญ่ได้เอาเปรียนหนังสือเสียให้มันได้เป็นผู้ใหญ่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยแล้วท่านก็ไปฝากที่วัดเทพสิริน์กว่าจะมาเป็นมหาจูมสอบเท่าไหร่ก็ตกตกเท่าไหร่ก็สอบจนเขาเรียกท่านว่ามหาจูมหนังสือเนา่าพอได้มาเป็นเจ้าคณะมนตรก็อยู่ให้ความร่มเย็นแจ่มหมู่คณะมาโดยตลอดเป็นอย่างพ่อแม่ครูอาจาร์มั่นท่านว่าเอาไว้จริงๆนี่อยู่หุ่นหนึ่ง ท่านเทศอยู่สาลาวัดโพธิสมพรเราก็มานั่งฟังอยู่นั่นท่านเทศเองพอเทศไปถึงนิพพานเป็นอนัตตารสาุดใจก็ดุ้ดเลยพอลงจากธรรมะเราจะเดินตามท่านพอดีท่านก็เชิญ ว, ว่าไปบัวไปด้วยกันไปกระซัตรกันเลยระหว่างข้อกับลูกต้องขอประทานโอกาสพระเดชพระคุณทำไมพระเดชพระคุณจิงเทศว่านิพพานเป็นอนัตตาเพราะนิพพานบังคับไม่ได้นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหาอนัตตาอย่างไร อนัตตาเป็นทางเดินของพระนิพพานต่างหากจะมาเรียกพระนิพพานว่าเป็นอนัตตาได้อย่างไรอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิพพานนิพพานจะมาเป็นอนัตตาอย่างไรท่านิพพานเป็นอ น, นัตตานิพพานก็เป็นไตรลักษณ์ละสิถ้าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงพระนิพพานอันนี้สมบูรณ์แบบแล้วสลัดพวกถึงนิพพานเลยท่านนิ่งเลยนะนี่แหละอุปชากับลูกศิษย์สนทนากัน เราก็เด็ดด้วยเพราะความผิดมันมากมันต้องเอาอย่างเด็ดท่านนิ่งเงียบคือมันผิดต่อความจริงอย่างมากมายเพราะฉะนั้นจึงเบิกออกทันทีอย่าให้ปรากฏขึ้นมาท่าประเภทนี้ความหมายว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมคือนิพพานเป็นอนัตตามันฟังไม่ได้ประการสำคัญระหว่างเรากับพระอุปชานี้ท่านก็คงจะเป็นที่ลึกว่าเราเป็นลูกกตัญญูท่านนิมนต์เราไปในงานไหนก็ตามเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณอุปชาของเรา เราจะมอบถวายท่านหมดเลยเรียกว่าทุกครั้งจนกระทั่งท่านค้านมาอา้าวเธอเอามาให้แต่เราแล้วเธอจะไปเอาอะไรถวายท่านตลอดเราไม่เคยแตะเทที่ไหนที่ไหนไม่ว่าปรับใจเงินทองเข้าของอะไรมอบถวายหมดเราไม่เอาแม้แต่บาทหนึ่งคือเราตอบแทนคุณท่านถึงอย่างนั้นก็ไม่เท่าคุณของท่านที่เป็นพ่อของเราเราเป็นพระทั้งองค์ได้เพราะท่านเป็นพระอุปชาขนั่นหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นนะ หลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนได้ เ, เล่าชีวประวัติของท่านที่ถูกคนด่าว่าบักหัวล้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นงานสําคัญท่านจะคุณธรรมเจดีท่านจะมารับเองมาเอาเราไปเทสเราก็ไปพักที่วัดภูที่สมพร อ, อุดรธานีและตอนเช้าก็บิดทบาทหาแยกห้าแยกอุดรเราก็เดินไปตามทางฟุตบาทแล้วก็มียงอยู่คนหนึ่งตัวมันตี๊ดตี๊ดหัวล้านล้านมันเดินสวนทางมาแล้วก็หยุดกึก มันก็มาจับสายสะพายบาดของเราไว้จับไว้แน่นด้วยมันก็หงนหน้าขึ้นดูเราแล้วก็พูดขึ้นว่าบักหัวโล้นมึงมาบิดทบบาทได้อีหยังบอมันว่าบักหัวโล้นมึงบิดทบบาทได้อะไรบ้านเราฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไปมันก็ยังหันหน้ามาอีกซ้ำยังพูดแรงๆว่าเอ๊ะบักหัวโลนนี่ด่าว่ามันยังซื่อๆอยู่มันยังอยู่เฉยๆได้ความหมายว่าอย่างนั้นเราก็เฉยอีกตกลงมันก็ได้ตกลงปากมันไป เราก็เฉยไม่ว่าอะไรเพราะเรื่องเหล่านี้เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในโลกสงสารถึงเขาจะไม่ว่าให้เราเราก็ว่าเราเองได้ก็ยังได้นี่นาหัวโล้นใช่ไหละ่ะอย่างไอหนุ่มคนนั้นมันหัวล้านถึงไม่ว่ามันก็ล้านมันก็ล้านอยู่แล้วใช่ไหมก็มันล้านอยู่แล้วพอเรานำเรื่องนี้มาเล่าให้โยมแม่ฟังนี่เขาด่าว่าให้อย่าง น, นี้วายแม่เลี้ยงมาจนป่านนี้ตั้งแต่ลูกบวชมา แม่ ย, ยังไม่เคยได้ว่าลูกป่านนี้เลยโอ้ยนี่มันแม่เขาไม่ไม่ใช่แม่นี่นาะเราก็ว่าแจ้งเส้นใหม่โอ้ยหน้าโมโหแม่เพื่อนโมโหเพื่อนคันเที่ยวเพื่อนอยากไล่กัดเขาเขาไปหอดทวีบไหนก็บูมจักเพื่อนคันเที่ยวเพื่อนอยากไล่กัดกัดลมกัดแรงเขาโอ๊ยแม่นี่เป็นบ้าอะไรก็อยากฟังก็จึงเล่าให้ฟังเราก็ว่าอย่างนั้นโอ้ยมันหน้าโมโหแท้ๆโย้ยแม่บ่นพึมพำพึมพำอย่างนี้ตลอดนี่แหละ เราพูดถึงเรื่องคำว่าดุคำว่าดา่าเอสทัทโมสันนันโนเหล่านี้เป็นของเก่าเป็นของดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ถือสีถือสาถ้าไปถือมาต้องเอามาเป็นคติเครื่องเตือนใจท่านว่าอย่าไปถือเพื่อความเสียหายแก่ตนไม่สมควรแก่เราผู้หาผลประโยชน์ใครจะตำหนิ ก, ก็ตามจะชมก็ตามให้ยึดมันเป็นประโยชน์ให้ได้นั้นชื่อว่าคนฉลาด